พ ร, พระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระไตรปิฎกเล่มเจ็ดหมวดที่สามสังคเพศคันทกะหมวดว่าด้วยสงแตกกันเล่าเรื่องราชกุมารในศักะยาศกุลคือพัทยราชาอนุรุษอานนภ ค, คุกิมพิละและราชกุมารในโกริยาสกุลคือเทวทัตรวมเป็นเจ็ดทั้งอุบาลีผู้เป็นช่างกลรรบก หรือช่างตัดผมออกบวชต่างเห็นพร้อมกันว่าควรให้อุบาลีบวชก่อนตนจะได้กราบไหว้คลายทิฏฐิมานะเมื่อบวชแล้วพระพัทิยะได้วิชาสามพระอนุรุษได้ทิพจักสุพระานนท์ได้เป็นโสดาบันส่วนพระเทวทัตได้ฤทธิ์ของปุถุชน พระเทวทัตคิดการใหญ่พระเทวทัตคิดหวังลาบสการะจึงแปลงกายเป็นเด็กน้อยเป็นนั่งอยู่บนตักของราชกุมารชื่ออาชาศัตรูผู้เป็นโอรสพระเจ้าพิมพิสารแคว้นมคตเพื่อทําให้ราชกุมารเลื่อมใสมีลาบสการะเกิดขึ้นแล้วก็คิดการจะปกครองคณะสงฆส์เองแทนพระพุทธเจ้า ความทราบถึงพระโมคคัลลานะเทระจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแสดงศาสดาห้าประเภทที่ต้องอาศัยหรือหวังความคุ้มครองจากสาวกคือศา ส, สดาผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์มีการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์มีการแสดงธรรมไม่บริสุทธิ์มีการตอบคำถามไม่บริสุทธิ์มีญาณทัศนะไม่บริสุทธิ์ แต่แสดงตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในห้าทางนั้นส่วนพระองค์ไม่ต้องหวังความคุ้มครองของสาวกเพราะไม่ได้เป็นดังนั้นพระเทวทัตขอปกครองคณะสงฆ์เมื่อได้โอกาสพระเทวทัตจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอ้างว่าพระองค์มีอายุมากแล้ว ขอให้ทรงขวนขวายน้อยและให้สละภิกษุสงให้แก่ตนตนจะบริหารเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธถึงสามครั้งและในครั้งที่สามทรงกล่าวว่าแม้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระองค์ยังมิได้มอบภิกษุสงให้ฉนไหนจะทรงมอบแก่พระเทวทัต ซึ่งได้อย่างความอาฆาตให้เกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเป็นครั้งแรกตรัสให้ขออนุมัติสงฆ์ประกาศเรื่องพระเทวทัตตรัสสั่งให้ประชุมสงฆ์เพื่อขออนุมัติให้ประกาศไม่รับรองการกระทำใดๆทางกายวาจาของพระเทวทัตถือว่าไม่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และให้สงสวดประกาศแต่งตั้งพระสารีบุตรเป็นผู้ชี้แจงแก่ชาวกรุงราชครห้พระเทวทัตยุให้ขบฏพระเทวทัตจึงยุราชกุมารชื่ออาชาศัตรูให้คิดฆ่าพระราชบิดาเพื่อชิงราชสมบัติส่วนตนเองจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเสียเอง แต่ราชกุมารทําการละหลวมถูกจับได้ขณะพกอาวุธเข้าวังมหาอมาตย์จึงถวายความเห็นให้ฆ่าทั้งพระเทวทัตและราชกุมารรวมทั้งภิกษุทั้งหลายที่เป็นพวกด้วยบางพวกก็ให้ฆ่าแต่พระเทวทัตกับราชกุมารบางพวกเห็นว่าไม่วควรฆ่าทั้งหมด การประทุษสลายพระพุทธเจ้าครั้งแรกพระเจ้าพิมพิสารส่งทราบว่าราชกุมารอยากได้ราชสมบัติก็ส่งมอบราชสมบัติให้พระเทวทัตก็มีอำนาจยิ่งขึ้นจึงขอกำลังจากพระเจ้าอาชาศัตรูส่งคนไปคอยฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วสั่งว่าถ้าฆ่าแล้วให้ไปทางนั้นทางนั้น แล้วส่งคนสองคนไปคอยดักฆ่าคนที่ฆ่าพระพุทธเจ้าส่งคนสี่คนไปคอยดักฆ่าพวกสองคนนั้นส่งคนแปดคนไปคอยดักฆ่าพวกสี่คนนั้นและส่งคนส6หคนไปคอยดักฆ่าพวกแปดคนนั้นเพื่อปิดปากแต่คนเหล่านั้นกลับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาปฏิญาณตนเป็นอุบาสกหมดสิ้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่งคนเหล่านั้นกลับไปให้สับทางกับที่พระเทวทัตสั่งจึงไม่มีการฆ่ากันเกิดขึ้นและเมื่อพวกที่คอยอยู่เห็นนานไปนึกสงสัยมาถามพระพุทธเจ้าก็ส่งแสดงธรรมให้ฟังต่างแสดงตนเป็นอุบาสกหมดทุกชุดการประทุษร้ายครั้งที่สอง เมื่อใช้คนไปฆ่าไม่สำเร็จพระเทวทัตจึงเตรียมลงมือเองคือขึ้นไปอยู่บนเขาคิดกูรคอยกลิ้งก้อนหินใหญ่ให้ลงมาทับพระพุทธเจ้าแต่ไม่สมประสงค์เพียงสะเก็ดหินที่แตกมากระทบพระบาทห่อพระโลหิตเท่านั้นภิกษุท์ทั้งหลายพากันเป็นห่วงจึงมาอยู่ยามเป้าแหนพระพุทธเจ้าท่องบ่นด้วยเสียงอันดัง ด้วยเกรงว่าพระเทวทัตจะส่งคนมาทาร้ายพระพุทธเจ้าเพราะได้กําลังจากพระเจ้าอาชาติศัตรูแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นกลับไปไม่ต้องมีใครมาคอยคุ้มครองให้แล้วตรัสว่าเป็นธรรมดาที่พระตถาคตจะไม่ปริณิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นแล้วตรัสเรื่องศาสดาห้าประเภท ที่ต้องหวังอารักขาจากสาวกดังที่ตรัสกับพระโมคคัลลานะการประทุษร้ายครั้งที่สามพระเทวทัตไปหาคนเลี้ยงช้างของพระราชาอ้างตนเป็นญาติของพระราชาและอ้างว่าสามารถเลื่อนตำแหน่งเพิ่มอาหารเพิ่มค่าจ้างได้และสั่งให้ปล่อยช้างนาราคีรี ซึ่งดุร้ายข่ามนุษย์ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าถ้าเห็นพระองค์เสด็จมาทางตรอกนั้นคนเลี้ยงช้างยอมทำตามเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาก็ปล่อยช้างไปภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นก็กราบทูลให้เสด็จหนีแต่ทรงปฏิเสธและตรัสว่าตถาคตจะไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่น ในการนี้มีผู้เห็นเหตุการณ์คอยดูบนที่สูงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแผ่เมตตาจิตช้างก็เอางวงจับฝุ่นที่พระบาทขึ้นโรยบนกระพองและกลับสู่โรงช้างตามเดิมพระเทวทัตเสนอข้อปฏิบัติห้าข้อพระเทวทัตคิดค่าพระพุทธเจ้าไม่สมประสงค์ จึงชวนพักพวกมีพระโกกาลิกะเป็นต้นคิดเสนอข้อปฏิบัติ5ประการเพื่อให้เห็นว่าตนเคร่งครัดคือ 1. ให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าสู่บ้านมีโทษ 2. ให้ถือบิณฑบาตลอดชีวิตรับนิมนต์มีโทษ 3. ให้ถือผ้าบางสุกุลตลอดชีวิต รับครหาบดีจีวรคือผ้าที่เขาถวายมีโทษ 4. ให้อยู่โคนไม้ตลอดชีวิตเข้าสู่ที่มุงบังมีโทษ 5. ห้ามฉันเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตฉันเข้ามีโทษเมื่อได้โอกาสจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลเสนอข้อปฏิบัติทั้งห้านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธคือในสี่ข้อข้างต้นให้ภิกษุปฏิบัติตามความสมัครใจไม่บังคับโดยเฉพาะข้อที่สทรงอนุ ญ, ญาตให้อยู่โคนไม้ได้เพียงแเดือนคือฤ ด, ดูฝนไม่ให้อยู่โคนไม้และข้อ5การฉันเนื้อสัตว์ทรงอนุญาตเนื้อสัตว์ที่บริสุทธิ์โดยเงื่อนไขสามประการคือไม่ได้เห็นไม่ได้ฟัง ไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อตนพระเทวทัตก็ดีใจที่จะได้ประกาศว่าตนเคร่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงเที่ยวประกาศทั่วกรุงราชครึถึงเรื่องข้อเสนอนั้นทำสงให้แตกกันครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตก็ชวนภิกษุเป็นพวกได้มาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระบวชใหม่แล้วพาภิกษุเหล่านั้นแยกไปทำอุโสบสถณตาบลขยาศีสะพระเทวทัตอาเจียนเป็นโลหิตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงส่งพระสาวรีบุตรและพระโมคคัลลานะไปชี้แจงให้ภิกษุที่เข้าเป็นพวกพระเทวทัตหายเข้าใจผิดพระเทวทัต เข้าใจว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาเข้าพวกด้วยก็มอบให้พระสารีบุตรสั่งสอนพระเหล่านั้นตนเองนอนพักผ่อนพระสารีบุตรแสดงธรรมให้พระเหล่านั้นฟังได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็กลับมีภิกษุเหล่านั้นประมาณ5้าร้อยรูปตามมาพระโกกาลิกะรีบลุกพระเทวทัตแจ้งข้อความให้ฟัง พระเทวทัตถึงกับอาเจียนเป็นโลหิตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้ภิกษุเหล่านั้นแสดงอาบัติทุนละใจเพราะประพฤติตามภิกษุผู้ทำสง์ให้แตกกันและตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรว่ามีลักษณะ ส, สมเป็นทูตเพราะประกอบด้วยองค์แดคือหนึ่งฟังคนอื่น 2. ทำให้คนอื่นฟังตนสาม คงแก่เรียน 4. ทรงจำดี 5. รู้คำพูดของคนอื่น 6. ททำให้คนอื่นรู้คำพูดของตน 7. ฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์และ8ไม่ชวนทะเลาะครั้นแล้วได้ทรงแสดงธรรมอีกหลายเรื่อง ความร้าวและความแตกกันของสงฆ์ทรงแสดงเรื่องสังฆราชิความร้าวรานแห่งสงฆ์ว่าถ้าภิกษุสองฝ่ายยังไม่ครบฝ่ายละสี่รูปก็ยังเป็นเพียงความร้าวรานแห่งสงฆ์เท่านั้นยังไม่เป็นสังฆเพทความแตกแห่งสงฆ์ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายมีตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปมีรูปที่9ส่สวดประกาศ จึงเป็นทั้งความร้าวรานและความแตกกันแห่งสงฆ์ใครทำสงฆ์แตกกันได้และไม่ได้ 1. ภิกษุนี 2. นางสิกขมานาสัมสามเณรสสามเณรี 5. อุบาสก 6. อุบาสิกาบุคคลหกประเภทนี้ ทำให้สงแตกกันไม่ได้ทำได้แต่ความพยายามให้สงแตกกันพิกสุปกติมีสังวาสเสมอกันอยู่ในสีมาเดียวกันจึงทำลายสงให้แตกกันได้เหตุเป็นเครื่องทำให้สงแตกกันและสามัคคีกันมีสิแปดข้อคือหนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่าเป็นอวินัย 5. แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่าตรัสไว้ 6. แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีได้ตรัสไว้ 7. แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ประพฤติว่าได้ประพฤติ แแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าประพฤติว่ามีได้ประพฤติ 9. แ, แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติ 10. แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติ1 1แสดงสิ่งไม่ใช่อาบัติว่าเป็นอาบัติ 12. แสดงอาบัติว่าไม่ใช่อาบัติ 13. แสดงอาบัติเบาว่าหนัก 14. แสดงอาบัตหนักว่าเบา15แสดงอาบัตไม่มีส่วนเหลือว่ามีส่วนเหลือ 16. แสดงอาบัตมีส่วนเหลือว่าไม่มีส่วนเหลือ17บแสดงอาบัตชั่วหยาบว่าไม่ชั่วหยาบ 18. แสดงอาบัตไม่ชั่วหยาบว่าชั่วหยาบแล้วทำอุบวสถทำปวารณาและทำสังฆกรรมแยกกัน ส่วนเหตุเป็นเครื่องทำให้สงสามัคคีกันก็มี18อย่างแต่เป็นตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา18ข้อทั้งหมดคือแสดงถูกตรงตามความจริงแล้วไม่ทำอุโบสถแยกกันไม่ทำปวรารณาแยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันการทำสงให้แตกกันที่ทำให้ไปอบายและไม่ไปอบาย ทรงแสดงหลักการทำสงฆ์ให้แตกกันที่มีโทษเป็นเหตุให้ไปอบายและไม่เป็นเหตุให้ไปอบายโดยชีย้ไปที่ความบริสุทธิ์ใจและเจตนาคือฝ่ายที่จะไปอบายนั้นรู้ว่าผิดธรรมวินยัยแต่แกล้งแสดงว่าถูกธรรมวินยัยส่วนฝ่ายที่ไม่ไปอบายนั้นคือทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยเข้าใจว่าเรื่องที่โตเถียงกันนั้น เหตุผลของตนถูกต้องตามธรรมวินัย